สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชิดพระเยซูตอนที่427เรื่องพระวิญญาณกับพระเยซูวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าพระวิญญาณนั้นได้มีความสัมพันธ์กับพระเยซูในฐานะพระเอการุภาพในขณะที่พระเยซูนั้นได้ทรงบังเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้จบจนกระทั่งพระเยซูเสด็จ ขึ้นสู่สวรรค์พราะวิญญาณ น, นั้นได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของพระเยซูอย่างไรพราะวิญญาณ น, นั้นทรงเคลื่อนไหวในชีวิตของพระเยซูคริสต์เราเห็นความจริงนี้ได้จากพระคัมภีร์หลายตอนครับที่เอ่ยถึงพระราชกิจของพระเยซูคริสต์เมื่อทรงประทับอยู่ในโลกนี้นับตั้งแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงปฏิสน ในคันมารดาก็คือคันของนางมารีปฏิสนการปฏิสนในคันของมารีก็โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับอันนี้พบในพระธรรมลูกาบทที่หนึ่งข้อที่สามสิบห้าเร่งได้รับการเจิมด้วยพระวิญญาณเมื่อทรงรับบัพติศมาพี่น้องคงจำได้นะครับเมื่อเวลาที่พระเยซูทรงรับบัพติศมาจากพวกให้บัพติศมาก็คือยอน หลังจากที่รับประมาขึ้นจากน้ําเราเห็นนะครับว่าพุ่ญยา น, นั้นทรงเสด็จมาและสถิตอยู่เหนือองค์พระเยซูคริสต์พระเยซูมีพระวิญญาณหรือได้รับพระวิญญาณอย่างไม่จํากัดครับนั่นหมายความว่าการเทลงมาของพระวิญญาณการเกิดผลของพระวิญญาณการมีของประทานของพระวิญญาณ หรือการแสดงออกใจใดซึ่งมาจากพุ่นญา น, นั้นก็แสดงถึงการที่พระเยซูนั้นได้รับพรุ่ญญาณหรือมีพรุ่ญญาณอย่างไม่จํากัดหลังจากนั้นพระองค์ได้รับการเรียกว่าเตรียมนะครับสําหรับการเพิ่มพระราชกิจในฐานะพระเมสสิยาทันทีหลังจากที่เส้น เสร็จสิ้นพิธีแบบมาเปเยซูทรงประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเด็ดกลับไปจากแม่น้ำจอแดนและพระวิญญาณนั้นก็ได้ทรงนำพระองค์เข้าไปในถิ่นทุรกันดารสี่สิบวันทรงถูกมารทดลองถูกมารประจนอันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่สี่ข้อที่หนึ่งมัทธิวบทที่สี่ข้อที่หนึ่งและยังไมได้บันทึกไว้ในพระกุฎีคุณแล่ม่สามคับมาระโกบทที่หนึ่งข้อสิบสอง หลังจากนั้นเมื่อพระเยซูได้ออกมาเปโตรเองก็เล่าให้โคเนเลียสฟังในพระธรรมกิจการนะครับเปโตรได้เล่าให้โคเนรียสฟังว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพนั้นพบในกิจการบทที่สิบข้อสามแปดครับพระเยซูทรงกระทําการอัศจรรย์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั่ครับทุกอย่างในการรับใช้ของพระเยซูนั้นเราเห็นถึงพระวิญญาณในเคลื่อนไหวมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเรายังเห็นว่าพระวิญญาณทรงเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องในการถูกตรึงที่กางเขนและในการเป็นขึ้นในความตายด้วยนี้ได้บันทึกไว้อยู่ในพระธรรมโรมบทที่หนึ่งข้อสี่บสามบทที่แปข้อสิบเอ็ด และในพระธรรมฮีบรูเช่นเดียวกันครับพระรรฮีบรูบันทึกชัดเจนครับว่าพระวิญ ญ, ญาณ น, นั้นได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสิ้นพระชนเพื่อตายไถ่าบาปเราบนแม่นเขนและการที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นในความตายหรือฟื้นก็มีความตายนั่นเองหลังจากนั้นพระเยซูก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์ก็ได้ขอพระบิดาให้ทรงพระวิญ ญ, ญาณลงมาแทนพระองค์เพื่อที่มา สถิตยอยู่กับผู้เชื่อก็คือพวกเราทั้งหลายและสาวกของพระองค์ในขณะนั้นเช่นเดียวกันเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่สาวกของพระองค์จะไม่ถูกละทิ้งไว้ตามนำพังเหมือนลูกกำพระอันนี้พบอยู่ในพระธรรมยอเมที่สิบสี่นะครับและบทที่สิบหกฉะนั้นพี่น้องครับก่อนที่พระเยซูจะทรงจากไปทรงทจะเตรียมพวกสาวกให้รับพู้วิญ ญ, ญาณ หากว่าเราจะสรุปเหตุการณ์นี้นะครับมีนักวิชาการคนหนึ่งชื่อคุยเปอร์เขาสรุปเหตุการณ์นี้ครับว่าพระญาณองค์เดียวกันผู้ได้ทรงกระทําให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเองทรงปฏิสนทรงดูแลพัฒนาการความเป็นมนุษย์ของพระองค์ได้ทรงประทานของประทานและฤทธิอํานาจทุกอย่างในพระสิทธิ์ของพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งพระองค์ในฐานะของพระเมสสิยา ทรงเตรยียมพระองค์พร้อมสำหรับการทดลองและความขัดแย้งทุกประการทรงช่วยพระองค์ขับผีออกทรงหนุนกำลังพระองค์ในการถูกดูหมิน่นการทนทุกข์และความตายที่ขมขืนทรงเป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันกับพระวิญญาณผู้ทรงกระทำพระราชกิจในการเป็นขึ้นในความตายของพระองค์และได้ทรงพิสูจน์พระเยซูแล้วขณะนี้พระเยซูทรงประทับ ในฐานะผู้ทรงไถ่ที่เยรูซาเล็มของสวรรค์ในสภาพมนุษย์ผู้ได้รับพระสิริเพียงครับจากข้อความของท่านคุยเปอร์ได้สุบเหตุการณ์นี้ทำให้เราได้เห็นถึงการที่พระเยซูทรงปฏิบัติภารกิจในโลกนี้และยังกระทำต่อเมื่อหลังจากเป็นได้เมีความตาย และเวลานี้พระเยซูก็ทรงประทับอยู่ในฐานะผู้ทรงไถ่หรือพระผู้ช่วยรอดที่เยรูซาเล็มของสวรรค์ไม่ใช่เยรูซาเล็มของโลกนี้นะครับแต่เป็นเยรูซาเล็มของสวรรค์ในสภาพเลยครับในสภาพมนุษย์ผู้ได้รับพะระเยซูน้องครับเมื่อเราพบกับองค์พระเยซูคิดไม่ว่าจะเป็นการพบกันกลางฝ้าอากาศหรือการที่เราจากโลกนี้ไปก่อน การที่พระเยซูจะเสด็จกลับมารับเราไม่ว่ากรณีใดก็ตามครับเราจะได้เห็นพระพักพระองค์ชัดเจนและเราจะได้พบกับพระเยซูผู้ซึ่งเราทั้งหลายรู้จักและรักขอบคุณพระเจ้านะว่าสำหรับวันนี้ที่เราไหนไม่มีโอกาสครับที่จะเห็นถึงพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์ในเตเรกานุภาพนี่แหละครับได้ทรงกระทาพระสกิทิของพระองค์ อย่างแนบแน่นสัมพันธ์สนิทร่วมกันกับพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าคือองค์พระเยซูิสตองค์พระอินทร์เจ้าและพ่อผู้ช่วยรอดของเราขอพระเจ้าเสริมกาลังพี่น้องที่รักทุกท่านในการเดินด้วยกันกับพระองค์ในวันจันทร์ซึ่งเหมือนต้นสัปดาห์ขอพระเจ้าเสริมแรงประทานสิปัญญาให้พี่น้องโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับโดยพระวญาณสุดองค์เดียวกัน กับที่ได้อยู่กับองค์พระเยซูคริสต์และโดยเพื่อนยาเบื้องสุดองค์เดียวกันนั้นที่ได้ประทับอยู่ในชีวิตของเราทําให้ชีวิตของเรานั้นรับรับกําลังรับพลิกเดชและรับภารกิจเพื่อที่เราจะตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าในขณะที่เรามีชีวิตยอยู่ในแต่ละวันแต่ละวันขอบพระเจ้าอวยพ ร, พรอาเมน